ในนะมาจะต้องมีของที่มาถ่วงอยู่ใต้ท้องเรือนะคะเขาก็จะเอาตุ๊กตาปั้นจีนนะคะเรียกว่าตุ๊กตาอับเฉาเนี่ยมาถ่วงอยู่ใต้ท้องเรือนะคะเอารำเรียงสินค้ามาขึ้นฝั่งตุ๊กตาเหล่านี้ก็ยังขายได้นะฮะในรัชสมัยของพระ อ, องค์จึงได้เอาตุ๊กตาจีนเอารูปปั้นเทวรูปนะเหล่าเซียนทาง เศิลปรกรรมของเทาจีนเนี่ยมาตั้งอยู่ตามโบสถ์วิหารต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างในสมัยรัชสมัยของพระองค์เทาจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยนั้นก็ส่วนใหญ่จะถือพุทธศาสนามหายานผสมผสานกับลัทธิเต๋าและของจือ้อในสมัยนั้นไม่มีวัดนะคแล้วก็ยังไม่มีผสมผสมเทาจีนมาก็จะมีการ นำเอาเทว ล, ลูกปั้นเซียนนะคะตามนิยมประเพณีนิยมของเขามาตั้งขึ้นมามากระมาไหวเป็นที่พึ่งทางใจนะเกิดเป็นสารเจ้าจีนขึ้นมาสารเจ้าจีนขึ้นมาในตามชนชนชาวจีนต่างๆที่อยู่อาศัยเพื่อให้ เป็นก็เลยว่าเป็นหลักเมืองนะคะหลักเมืองที่พึ่งทางใจของชนชุมชนของชาวจีนที่เขาอยู่กันที่อยู่อาศัยทั้งตำแหน่งหัวมังกรท้องมังกรแล้วก็หางมังกรนะคะก็จะมีสานเจ้าจีนเล็กๆ เ, เ, เกิดขึ้นในสมัยต่างๆจนในรัชสมัยรัชกาลที่ห้านะคะรัชกาลที่ห้า ก็ได้จึงโปรดเก้านะะของพระราชทานนะะสร้างวัดจีนขึ้นนะะวัดจีนในประเทศไทยก็เริ่มปรากฏขึ้นเป็นหลักฐานในในรัชสมัยของสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่ห้าทั้งนี้เพราะว่ามีพระเถะจีนหนึ่งซึ่งมีนามว่าสกเหงนะะจะลิกจากเมืองจีนมาประเทศไทย เป็นผู้เริ่มวางราชทางคณะสงฆ์จีนนิกายขึ้นมาจนเป็นปึกแผ่นท่านคงในราชรัชกาชาดไทยจนถึงปัจจุบันนี้พระอาจารย์สกเพงนี่เขาก็เป็นชาวกวาตุง้งบิดามารดามีอาชีพค้าขายท่านก็ได้ติดตามบิดาไปค้าขายตามถิ่นต่งตางๆจนถึงกุลลําเปอร์มาลายูพ่อก็มีกรรมนะฮะแม่ก็พาท่านอพยศ มืองจีนซึ่งขณะนั้นอายุได้สิบเจ็ดนะเอ่อมารดาของท่านก็ถึงแกกนะก็นํนำสบปฝังที่ห่วงซุยตรงสํานักเขาแปะหงสัวที่นั่นขณะนั้นก็มีพระอาจารย์เอ่อพระเอ่อท่านก็ได้ไปฟังธรรมของพระอาจารย์เอ่อฮวบวบทีสมัยโ น, โนู้นนะก็เกิดรื้มสายขอบำพชาก็อุปสมบทเป็นจีนนะแล้วก็ได้ฟังว่ากิจิสัพ พุทธศาสนาเมืองไทยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองท่านก็ได้เดินทางจารเล็กมามาพักสมัยน่นเนี่ยตรงบริเวณเทดนิงทาวนะฮะจะมีศาลเจ้าแม่กุนอิมนะฮะเข้าเพราะว่าชาวสาเพาเรือเนี่ยได้นำรูปปั้นที่แกะเป็นรูปแกะด้วยไม้นะะปัจจุบันนี้อยู่เ อ, อมาตั้งเป็นศาลเล็กๆนะปัจจุบันเนี่ยเป็นวัด ยงหกยีนะคะยงหกยีหรือว่าวัด ป, ปัมเพญจีนพทุท อ, อ, อท่านซุขเฮงก็มามาที่นี่นะคะก็ผู้คนก็เริ่มเข้ามานะคะฟังธรรมแล้วก็เริ่มใสก่ก็มีการสร้างนะขอพระราชทานสร้างวัดขึ้นมาเป็นครังแรกวัดจีนก็เกิดขึ้นน ะ, ะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในสมัยนี้นะคะก็มีการสร้างน ะ, ะสร้าง ที่จันบุรีก็สร้างวัดมังกรบุภ า, ารามนะคะเป็นตำแหน่งหัวมังกรแล้วก็ที่แปดลิ้วก็สร้างเหลิงหกีวัดจีนประชามสมุทรแล้วก็มาเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งท้องมังกรตามหลักฮงจุ้ยนะฮะจนมาท้ายมังกรนี่ก็มามาอยู่นะคะที่เหลิงบุยเอียนะคะหลิงบุยเอียของเ ท, ทียนดาวนี่นะฮะในสมัยนู้นเนี่ยยังเป็น สันเจ้าเล็กๆนะฮะสันเจ้าเล็กๆหนึ่งปยเอสนี่มีกําเนิดเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าในรัชสมัยของรัชกาลที่สามนี้ก็เกิดโรคฮิวาลระบาดขึ้นผู้คนตายกันอย่างมากมายชาวจีนในสมัยนู้นก็มีคณะงิ้วนะคะเดินทางมาเล่นงิ้วก็แนะนําว่าถ้าที่เมืองจีนนะเวลามีภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการ เส้นไหว้นะได้พระเจ้าหรือเหล่าเซียนเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ตามสารเจ้าแล้วก็มีการเล่นงิ้วถวายนะะถวายขึ้นมาเพื่อให้เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกปักรักษาแล้วภัยวิบัติทั้งหลายก็จะหมดสิ้นในตำแหน่งหล่งหลิงบเอียนะหางมังกอนี่ก็ก็มี ในรัชสมัยรัชกาลที่สามนะคะก็เป็นสันเจ้าเล็กนะคะก็เกิดเป็นสนเจ้าเล็กๆขึ้นมาขึ้นมาเาก็มีรูปปั้นนะะรูปปั้นซึ่งถือว่าในชาวจีนถือว่าเป็นหลักเมืองผู้ดูแลปกปักรักษาชุมชนชาวจีนก็คือหลิงตงแล้วก็ท่านหูหยินให้ผู้คนแล้วก็ทางมีเซียนของลทัทธิเต๋านะฮะ มีในสมัยนั้นก็มีการเล่นงิ้วถวายทำให้ภัยพิบัตินะฮะโรคภัยวัตระบาดเนี่ยผู้คนตายมากมายก็หมดสิ้นไป เ, เมื่อมีการมาสร้างในตำแหน่งท้ายมังกรเนี่ยนะเขาเรียกว่าท้ายมังกรหางมังกรแหลงใบเอี ย, ยออพื้นที่สานเจ้าแหลงใบเอียเติมเนี่ยมันเล็กนะะบริเวณก็ขยายไม่ได้ เพราะว่าข้ามไปก็เป็นถนนละนะที่ตัดถนนเจริญกรุงก็เลยต้องข้ามมาสร้างวัดนะคะในฝั่งฝั่งถนนเจริญกรุงก็เกิดขึ้นมาเป็นศาลเจ้าเออเป็นวัดนะคะตำแหน่งท้ายมังกรก็คือวัดมังกรกรรมะลาวาดทุกวันนี้นะคะถือว่าเป็นตำแหน่งท้ายมังกรหลักการสราง ตั้งแต่หัวมังกรมาท้องมังกรแล้วก็หางมังกรนี่ก็เป็นไปตามหวัวจุ้ยของที่ชาวจีนเชื่อถือกันเพื่อที่จะให้เป็นเป็นสิ่ที่ชมนุม ข, ของพระรัตนต์ไยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถือบูชาเพื่อที่จะได้สิรสิศาสตร์ให้ความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์สุข แก่ชุมชนชาวจีนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณเหล่านั้นตำแหน่งตำราตานานการสร้างวัดก็ก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชการที่ห้านี้นะคะ่ะในสมัยรัชการที่ห้าการค้าบริเวณชุมชนไทรเดทาวน์นี้ก็เจริญมากเลยก้าวหน้าไปเกิดเป็นไชน่าทาวนะะ์นะฮะ แผ่ขยายผลออกไปถือว่าเป็นเชน่าทาเนี่ยเก่าแก่ควบคู่กันกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครทีเดียวชมุมชนนี้นี่ในสมัยราชการที่หนึ่งนี่ตั้งถิ่นฐานอยู่เพียงเขตวัดสำเวือมนะฮะแล้วก็คลองวัดสำเพงคลององอ่างซึ่งเป็นวัดบ่ะพิมพป็นนะ แตหลังที่โปรดก้าให้ตัดถนนขยายเขตชุมชนออกไปศูนย์กลางธุรกิจของฝั่งทนในเขตของสารริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาของนักธุรกิจจีนและมุสลิมอินเดียก็เริ่มร่วงโรยลงศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่เคลื่อนย้ายไปที่ฝังตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาก็กลายเป็นศูนย์ธุรกิจที่เข้มแข็งต่อมาเป็นเวลานับร้อยกว่ปีมาแล้ว แม้ปัจจุบันนี้จะมีย่านธุกรกิจตะวันตกมีห้างร้านขายปีกขายสซงแบบใหม่แบบไทรนาทาวนะฮะก็ทรงสง่างามโ ค, โ ค, โ ค, โ ค, คู่ควบคู่กับกรุงเทพมหม า, หาคนครมากราบเจ้าทุกวันนี้ธุกรกิจการเงินการธนาคารและการเกษตรอุตสาหกรรมการเดินเรือกำเนิดขึ้นที่ถนนทรงวาดนะะคู่กับถนนราชวง ถนนทรงว่านี่เป็นแหล่งค้าผลผลิตทางการเกษตรมาถึงทุกวันนี้ด้วยมีถนนเรียบแม่น้ําและถนนซอยสู่ท่าเรือกลนไฟบรรทุกสินค้าขึ้นล่องระหว่างพระนครกับหัวเมืองต่างๆถึงหัวเมืองทางเหนือส่วนถนนของราชวงศ์ท่าน้ําราชวงศ์ก็เป็นแหล่งขายเ อ, อส่งสินค้าจากต่างประเทศแล้วก็เคยเป็น ย่านของธนาคารเก่าแก่เช่นสาขาธนาคารสาขาธนาคารกรุงเทพธนาคารซีไฮทงซีทงก็คือตำแหน่งอ า, อาคารของโปธิสถาน ม, มงคลทันของพวกเราธนาคารเอเซียทั H ask, ธนาคารตั้งเป็นชุมซึ่งแหล่งบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน โอนเงินตราที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเวิ้นงนครสเกษมปัจจุบันก็เป็นแหล่งค้าขายเครื่องสูบน้ําอะไรเครื่องจกักรกลทางการเกษตรนานาชนิดถนนเยาวภาณิชฐ์ถนนพาดสายเป็นแหล่งขายส่งผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและพลาสติกที่สําคัญส่วนสําเพ็งในซอยวา น, นิชก็เป็นแหล่งค้าปลีกส่งของสินค้าแทบทุกชนิดทุกประเภทที่สุภาพสตีททั้งหลายโปรดปรานที่สุด อาคารสูงในประเทศไทยก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในย่านนี้อาคารสูง6ชั้น7ชั้น9ชั้นมีขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายรัชกาลที่6ในชัยนาทาวน์นี้ชัน่นาทาวน์ในนครนิวยอร์ก York, ไี่ชื่อว่าเป็นชัยน า, าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในสี่โลกตะวันตกแต่ช้หนาทาวน์ของกรุงเทพดูจะเก่าแก่กว่าและเพียบพร้อมสมบูรณ์ยิ่งกว่าถนนหนทาง วัรสะสะอา้ะอานร้านรวงยังคงสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังมีลูกหลานชาวจีนนะะที่ดำร ง, งาการค้าตืบบัมพบพัรุษมาจนทุกวันนี้ช้นหนาาเป็นสายเลือดเลือดเนื้อเชื้อไทยในแผ่นดินตั้งถิ่นฐานภูมิประเทศเลี้ยงลูกหลานทำการค้าพัฒนาเศรษฐกิจทั่วเขตแดน เราก็ถ้าถือชัยนาทาวเป็นมังกรตัวหนึ่งหัวมังกรก็อยู่ที่เประตูนะคะประตูเจริมพรเกียต น, นะคะปัจจุบันอดีตนี่เป็นวงเวียนอบเดียนนะคะเป็นตําแหน่งหัวมังกรผ่านเข้ามาถนนทรงวาดนะคะตำแหน่งท้องมังกรนะะเลยไปถึงถนนเจริญกรุงไปถึงวัดดิงหนุ ย, ยีนะฮะ เ, เ, เป็นตำแหน่งเล็งบุยเอก็เล็งบวยก็คือหังมังกรนะะมังกรตัวนี้เป็นมังกรเศรษฐกิจนะะที่ยิ่งใหญ่นะฮะควบคู่กันมากับประวัติกรุงเทพมหานาครตราบเจ้าทุกวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะะที่โปรดเก้าให้พื้นที่ทำกินแก่ชาเชาวจีนพื้นที่ทำกินจึงกว้างใหญ่จะ คลององอ่างเสือปลาพระปาชัยในมิด ต, ติดแม่น้ำกินอน า, าบริเวณเศรษฐกิจเมืองเก่าที่ทรงเกียรติมีสักมีสีไม่ยิ่งยอนไปกว่าพาณิชย์ในเขตใหม่ลูกหลานทายาทนะะก็อยู่กันอย่างสุขสบายเพราะเหตุนี้เราบัมพบุรุษนะะที่อากองอาม่านะอากองอาม่าเรากงเหล่ามาของพวกเรา รู้อดรู้ทนนะแล้วก็รู้การทํามาหากินอดออมประหยัดนะาให้การค้านะฮะสืบทอดมาจนถึงชนรุ่นหลังของพวกเรานี้ทําการสืบต่อขึนมาได้อาศัยนะทํามาหากินเป็นแผ่นมั่งคุนตราบคู่แผ่น